ช่วงนี้ใครเห็นตรงไหนที่พอจะปลูกไม้ได้ก็พยายามปลูกนะถามเมื่อกี้เนี่ยเคยท ถ, ถามกันหน่อยที่เราปรับเป็นป่าแขมป่าเหลาไม่ใช่ป่าไม้ป่าปะฉเพิดเราก็ลงไม้ปะดูมะข่าตะเคียนทองยางนาใสให้เต็มไปเลยแต่อย่าไปปลูกไม้สัก ปลูกไม่สักไม่ได้ไม่ใกล้น้ำไม่สักไม่ทนน้ำเลยนะไม้สักเนี่ยปลูกเข้าไปเยพอน้ำแช่คืนเดียวเท่านั้นแ่ะตายหมดไม้สักเป็นไม้โคกไม้อยู่ในที่เดินเป็นไม้ประดูไม้ตะเคียนทองไม้มะข่าก็ยังทนกว่าแต่ตะเคียนทองกับไม้ยางนาเนี่ยทนน้ำได้ ปลูกขึ้นมาแล้วก็ทนน้ำแล้วก็สะสะของเราที่นั่นเคยให้เขาปรับพอปรับเสร็จแล้วก็ไดนะ้ผมว่าไม้สักก็กมาลงได้ถ้ามีนะสลับกันไม้ประดูมะค่าตะเคียนทองสลับสลับกันไปเลยใส่ปลูกผลไม้ขนงขนงุนใสเข้าไปก็ได้ลิมสะขนุนมะม่วง น, นั่ก็คือปลูกไม้ปลูกถ้าเราไม่ปลูกไม้พวกผลไม้เลยมีแต่ปลูกไม้ธรรมดาถ้าพวกนกหนูปูปีกที่มาพึ่งพาอาศัยเราเขาจะกินอะไรนะอันนี้เราก็ต้องได้คิดไม่ใช่ว่าปลูกกินทีเดียวนะเราต้องปลูกเผื่อสัตว์พวกกรอกกระแตพวกนกพวกลิงข้างบางชนี เราก็ต้องเด้เผื่อเผื่อเขาเหล่านั้นด้วยเผื่อเราเลี้ยงเขาไม่ได้กับผ ล, ลไม้ปา่าพวกลูกไส้พวกขันนุนพวกอะไรเราจะคิดเดือนว่าเราจะไปปลูกให้กินพวกฟรังพวกอะไรเนี่ยปลูกขึ้นมาสัตว์เขาจะได้กินผมไปเห็นสัตว์ กินพวกขนนอะไรนะผมไม่ได้นั่นนะผมดีใจอีกต่างหากมีผลไลม้ให้มันกินมันจนทำางไ ง, ไงเกิดมาแล้วมาอยู่กับวัดเรามันก็ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขในระดับหนึ่งถามันอยู่ข้างนอกก่อนะเป็นเปาให้เขาข่าเอาไปต้มยำทาแกงเอาไปกินหมดมนุษย์มานามาอยู่กับวัดเราก็เออ มันกินผลแล้วมากรากไมก้กับไม่ว่ากันกกินไปอาหารของเราก็มีอยู่แล้วอยราอนั้นเวลาเราปลูกอะไรเราต้องคิดเผื่อสัตว์ด้วยสรุปแล้วลองจอกจอกแกะมาพึ่งพาอาศัยเราเววันนี้เป็นวันที่สิบสอง มิถุนายนพุทธศักราช2557พวกเราเพิ่งลงอุโบสถเสร็จวันนี้เป็นวันพระวันอุโบสถต่อไปแล้วก็คงจะสวดท้ายพระปฏิโมกเพราะนี้เป็นการลงโบสถในวัดของเราด้วยช่วงนี้เป็นช่วงที่ความเตรียมพร้อมนั่งอีกหนึ่งเดือน จากนี้ไปจะเข้าพรรษาจากนี้ไปก็คงจะมีภาระทุระในวัดของเราก็คงจะดูเสนาชนะที่พักพาอาศัยหลังไหนบ้างหมู่พวกเพื่อนพักจะมีปัญหาก็ช่วยๆกันดูนะพอจะเอาสังกษสีรุ่นใหม่มาใส่เอามาใส่เลยให้ช่วยๆกันทำเอาช่างจ้างช่างมาพระเป็นผู้คุม ไปวัดเรียบร้อยแล้วก็เอาให้เขามาทำให้เป็นเสนาสน ะ, ะทางเดินจงกรมเป็นยังไงปรับปรุงให้ดีทางขึ้นลงเป็นยังไงช่วยๆกันคิดเอาผู้เฒ่าผู้แกเอาพระคูบาเนี่ยช่วยๆกันดูหลังคามันเป็นยังไงมีเก่งไม้มาปกปิดไหม เดี๋ยวมดจะขึ้นมาเรียงงูขึ้นมาตอนมาตามกิ่งไม้เราก็ตัดออกแล้วก็น้ํามันอยู่เสามันแห้งไหมที่มดจะขึ้นได้เราก็เอาน้ามันไปใส่นี่แหละช่วยกันดูแลเสนาธนะใครอยู่แถวไหนใกล้หลังไหนใครช่วยช่วยกันดูสรุปแล้วไม่ใช่วงหนึ่งจะไปดูรับภาระธุระ หัวจดใต้ที่เดียวคนไม่ได้พระอยู่ใกล้ๆกัซื้อบือ้อไม่คิดไม่อ่านมันก็ไม่ถูกเหมือนกันที่เขาสร้างให้เราค้างกระดูกอยู่นั่นน่ะเขาก็ทําขึ้นมานะ่ะไม่ใช่ธรรมดาก่อนที่จะเป็นกุฏิได้บางทีพระนะ่ยช่วยกันทําบางทีก็โยมทําแต่ที่ยังไงเราได้มาอาศัยแล้วก็ต้องดูหลังอื่นด้วยใกล้ๆบริเวณมีปัญหาไหม้ แต่มีปัญหาเราก็ต้องบอกถ้าเราทําไม่ได้ก็บอกคูบาเออย่างคูบายผมเห็นปลวกขึ้นเลยกุดหลังนั้นอะ่ะหรือมีมดเยอะเกินไปแล้วจะทำยังไงสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องได้บอกถ้าหากว่ามีพึ่งอยู่ข้างบนเราจะทํำยังไงอันนี้เราก่อนเนี่ยมันมีรูไหมถ้ามันมีรูเนี่ยเราก็อกกระเบื้องก็ได้ กระเบื้องรุ่นใหม่ของเขาเนี่ยกระเบื้องที่มันถูกน้ําไม่เป็นไรเนี่ยกระเบื้องไปกันเนี่ยจับขึ้นไปก็ต ะ, ตะปูขันเลยอตีกากะเห็นลูกตะปูเกี่ยวขันการขั น, ข น, ขนปิดเข้าไปเลยไม่ให้มันมีรูลงมานเนี่ช่วยๆกันคิดมันได้ทั้งนั้นแหละที่และผมให้หมู่พวกเพื่อนทํางานผมไม่ได้คิดอย่างอื่นผมอยากจะให้หมู่เป็นช่างบ้าง ไม่ใช่ตีตะปูก็ไม่เป็นเป็นแต่ฉันข้าวอย่างเดียวภาวนาแต่ขี้เกียจอีกต่างหากถ้าว่าภาวนาเป็นผมก็ไม่ว่าอะไรอีกอนุโมทนาสาธุการจุดมุ่งหมายของเราคือภาวนาภาวนาก็ไม่ได้เรื่องช่างก็ไม่ได้เรื่องจะทำอะไรซ่อมเสนาสนะตัวเองอยู่แท้ๆก็ยังซ่อมไม่เป็นอีกผมไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นอยากให้รอบทิศรอบด้าน เป็นอะไรอ่านออกดูแลอ่านออกคิดได้ทําได้รู้จักวิธีการคิดแล้วก็วิธีการทํารู้จกักพลิกแพงในการทำํำนั่นแหละอยู่นัดสถานที่ใดดีทั้งหมดแต่ถ้าว่าไปที่ไหนอยู่ที่ไหนขนาดหลับหูหลับตายซื้อบื้อไปเรื่อยโง่เง่าเต่าตุนเอาตัวไม่รอดถึงเป็นพระเก่าตัวไม่รอดถึงเป็นฆราวาสเก่เาตัวไม่รอด ผมไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นลูกน้องลูกศิษย์ของผมบริวารอยากจะให้รอบรู้รอบขอบคิดอ่านมีสติปัญญารู้จักคิดรู้จกรรักทารู้จักรับผิด ช, ชอบเพราะนั้นฟังเอาไว้นะพวกเราท่านทั้งหลายแล้วก็ปีนี้อย่างที่ผมได้พูดในพรรษาเราก็คงจะหยุดงานใหญ่ เพราะปีที่แล้วนี่ยเราทําแล้วนะปีนี้เราจะมาเบิ้ลสองไม่ได้ต้องหยุดซะก่อนเพราะงานอย่างอื่นไม่จําเป็นแต่ปีที่แล้วเราทําเพราะอะไรเพราะว่าเราทำให้ต่อเนื่องให้มันจบซะมันจะจบได้อยู่แต่ก็เสียเวลาไหมเรื่องการงานก็นธรมรมดาแลต้องเสียเวลาแต่มีประโยชน์ไหมใ น, นมหาศาล ประโยชน์ในพุทธศาสนาประโยชน์สำหรับพวกเราท่านทั้งหลายแต่ว่าปีนี้เราจะไปทำแบบไม่รู้จักหยุดผมก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าแนวปฏิปทาขององค์หลวงตาเนี่ยท่านไม่ได้ให้ทำงานแบบงานสรรนางคตฉามิไม่ใช่อย่างนั้นทำก็ทำอยู่แต่ให้มีพอเพียงพอใช้ให้ดี แล้วก็พอแล้วละ่ะให้เน้นเรื่องจิตภาวนาพเพราะเสนาสนาวัดของเราก็พอเป็นพอไปแล้วก็ให้ช่วยกันดูช่วยกันรับผิดชอบทางนั้นก็เหมือนกันอ่ะทางตำหนักช่วยช่วยกันไปปัดกวาดนะแล้วก็ช่วยกันดูเดินเดินรอบดูด้วยเผื่อมดเผื่อปลวกพอ้ผู้ที่อยู่แถวๆนั้นละ่ะให้ช่วยดู แต่เมื่อวานผมไปเห็นเมื่อวานเนี่ยลูกกรอนประตูทางตำหนักภัยไปผักแรงถึงขนาดจนงอเลยปิดไม่ได้ไม่เข้าให้ช่วยๆไปดูนหน่อยนะไปแก้ไขให้หน่อยว่ะไปแก้ไขให้ด้วยผมเห็นแล้วดูๆแนละ้วมันเป็นยังไงมันมันลมกระแทกหรืออะไรสุดท่ใสัยที่จะเดาแต่ทำไมมันมันคด ต่อไปให้ใช้เหล็กเหล็ก4ี่หุนก็ได้นะใช้เหล็กโพลงมันเป็นหนึ่งจะเต็มเลือโพลงข้างในมันก็เลยทําให้อ่อนแอไปบ้างอันนี้คือผมไปเห็นนะให้ช่วยๆกันไปไปทําซะให้มันดีสิ่งไหนที่มันพอจะปรับปรุงแก้ไขได้เราเสนาธนะหลังไหนนี่กระโจนจะเข้าพรรษาดังที่ได้กล่าวแล้วก็พร้อมกัน พระใหม่ก็ท่องคำอธิษฐานพรรษาแล้วก็ไม่ยากหรอกนิดหน่อยแล้วก็วิธีแสดงอาบัติหรือว่าถือท่องสวดมนต์ล้วก็ควรจะท่องไว้ท่องสวดมนต์ทำวัดเชา้าทำวัดเย็นพระปริตะมงคลให้พรญาติสัพพีก็เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องฝึกหัดท่องเอาไว้ ถ้าบอกผูกเจลาศขาอยู่เออเอาทองสวดมนต์ทองสวดมนต์ทองสมัญตาทองอาราธนาศีนห้าศีลแปดก็อ่านอ่านไวนะ้อันนี้เป็นเครื่องประดับสติปัญญาของเราทั้งหมดนั่นแหละไม่ใช่ว่าเข้ามาอยู่ในวัดก็จะดีทีเดียวเลยถึงอยู่ชื่อบอกนายดีพระดีก็เถอดดีแต่ชื่อนั่นนะถ้าเราไม่ปรับปรุงแก้ไขกายวาจาใจของเราเนะี่ยมันดีไม่ได้นะ เรานัต้องการกระทำของเราเนี่ยทำให้เป็นพระที่ดีคิดดีทดําดีพูดดีศึกษาอย่างที่ผมให้พระอ่านหนังสือเมื่อวานอ่านกระตุกกระตักรตกระตุกกระตักอ่านหนังสือไม่คล่องอ่านหนังสือไม่รู้จังหวะอักษรพยายามอา่อานอ่านให้เข้าใจอ่านให้คล่อง แล้วก็ออกเสียงเนี่ยแหละอันนี้คือเราอยู่ในชุมชนสังคมมันต้องได้ฝึกไว้ทั้งหมดกันละทำไมผมพูด่ังนี้ได้พวกท่านทั้งหลายเห็นไหมผมเป็นพระรุ่นเก่าแก่อีต่างหากรุ่นโบราณอีต่างหากผมพยายามมือขึ้นมาในจุดนี้ได้พวกท่านทั้งหลายคิดดูสิถ้าไม่ใช่ฝึกหัดแล้วจะว่าอะไระกล้า พูดกล้าแสดงระดับไหนเพราะเหตนอะไรเพราะฝึกขัดตอนนี้ไม่ใช่พมฝึกขัดแต่ภายนอกนะฝึกขัดมาทาั้งด้านจิตใจต่างามันออกมาจา ก, กจิตใจการพูดหรับตาพูดเลยมันออกมานั่นแหะเหตุผลเหตุผลเหตุผลอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินนะั่นแหละนั่นแหละ อันนี้ผมเองก็อยากจะเห็นพวกท่านทั้งหลายเป็นผู้มีความคล่องแคล่วแก้วกล้าแล้วก็นเนี่ยมุ่งมั่นในศีลในธรรมมุ่งมั่นในพระพุทธศาสนาเชื่อในกรรมในผลของกรรมกรรมคือการกระทำของตนเองเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะในพรนศาผมเองอยากจะให้ หมู่พวกเพื่อนภาวนาเร่งความภาคเพียรถ้าองค์ไหนในหมู่เพื่อนกันเป็นสหธรรมิกกันอยู่ใกล้กันที่จะแนะนําบอกหมู่พวกเพื่อนได้ตามแนวแถวที่ได้ศึกษามาได้ฟังมาจากครูบาอาจารย์จากผมเป็นตน้นได้ยินมาแลเข้าใจแล้วก็นะแนะนําการบอกกล่าวกัน แต่ข้อสําคัญอย่าไปหาแนะแนวออกไปทางนอกลูนอกทางน ะ, ะกระสินอย่างนั้นบอกกสินอย่างนี้แพ่งอย่างนั้นบอกเพ่งอย่างนี้ว่อันนั้นอานะเดี๋ยวเป็นบ้าขึ้นมานะผมจะไล่หนีทั้งยวงเลยนะเพราะนั้นถ้าวัดปฏิบัติอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกกล่าวเนี่ยสอนกันนะบอกกันเถอะพี่น้องมีอะไรก็แนะนํากันบอกกล่าวกันเป็นสหธรรมไม่ ก, กันมันต้องอาศัยซึ่งกันและกัน ถ้าว่าพวกเราไม่บอกเก่าไม่แนะนำกันใครจะมาแนะนำพวกเราพี่ๆก็ต้องบอกน้องเกิดขึ้นมาใหม่ในเมื่อน้องได้ฟังแล้วก็ปฏิบัติถ้ามีความสงสัยอันนี้ถูกหรือเปล่าครับกลับมาถามถามหลวงพ่อดูเออหลวงพ่อเป็นอย่างนี้อย่างนี้ถูกไหมผมสงสัย ก็มาหาหลวงพ่อหลวงพ่อก็เออใช่ไม่ถูกนะพิจารณ์ใครเป็นคนบอกอ่ะจะไปหาเพ่งอย่างนั้นเพ่งนนิมิตอย่างโนนิมิตอย่างนี้อเดี๋ยวเป็นบ้านนะหลวงพ่อก็จะได้บอกตาเออใช้ได้แนะนําอย่างนี้บอกอย่างนี้เอาดีแล้วเป็นสหธรรมิกันเนอะภาวนาหาทางพ้นทุกผีๆก็ได้แนะนําน้องๆสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วจะเป็นประโยชน์ การอยู่ด้วยกันเกื้อกูลหนุนกันาการสนทนาปารบกันธรรมัชชากัดฉ า, นะาไม่ใช่ทำมัชชากัดซอดหรือทมัชากัดทะเลาะกันอันนั้นใช้ไม่ได้ทนำะมัชชากัดฉาใต่ใกล้ๆฟังคนหนึ่งพูดขึ้นมาอย่ า, ยาไม่จบประโยคอย่าไปพึ่งพูดให้ฟังกันก่อนฟังเอาไว้คำานะี้ย ถึงจะเป็นผู้ใหญ่ก็เถอะต่อไปภายภาคหน้าไม่เชืเ่อเวลาอยากจะพูดทำลายภูมิฟูมปากแลพูดไปเลยไม่ยอมฟังใครเวลาเขาจะพูดก็ต้องฟังเขาก่อนไม่ใช่ว่าตัวเองจะพูดถูกหมดทุกอย่าง เ, เมื่อเขาให้โอกาสเราเราพูดเราก็พูดพอเขาจะพูดขยับพูดเราก็ต้องฟังฟังเขารู้จักฟังและก็รู้จักพูดนั่นแหละการอยู่ด้วยกัน ไม่ใช่ว่าตัวเองจะพูดจะตลอดเป็นเสียแต่เทศอย่างนี้เออก็ไม่ว่ากันยังสวดปฏิโมกข์เนี่เป็นาเวลามันผิดทั้งเองยังบอกกล่าวไม่ใช่ว่าจะขึ้นไปพูดไปแซงอยู่เรื่อยมันก็ไม่ได้ถ้ามันผิดแล้วเออบอกซะเป็นคำแล้วก็ตอไปได้อ น, นั้นก็คือผู้ที่จะพูดหรือผู้ที่สวดมน์อย่างนี้แต่ถ้าว่าสนทนาปารบกันให้เหตุผลกัน เวลาเขาจะพูดขึ้นมาเราก็ต้องฟังเป็นเสียแต่เป็นองค์แสดงธรรมหรือเป็นองค์พูดอย่างผมพูดเดี๋ยวนี้ใครจะมาเถียงขึ้นมาไม่ได้จนจบซะก่อนผมได้ฟังประโยคนั้นที่หลวงพ่อพูดผมสงสัยผมขอถามฮะอันนั้นแปลว่าเมื่อจบประโยคแล้วคอยถามกันแต่ขณะที่พูดอย่าพึ่งพูดอย่าไปแสดงอากัปกิริยาไม่พอใจ จะเป็นใครก็ตามเป็นแสดงธรรมในที่สาธารณะเราก็ต้องฟังซะ ก, ก่อน เ, ออเมื่อเขาพยายามพูดให้ฟังเขาต้องฟังเมือเหตุมีผลอย่างไรเราจึงค่อยแยกแยะอีกทีนึง่งไม่ใช่ว่าเขาพูดขึ้นมาพระพุทธเจ้าพูดเท่านั้นจึงฟังภาษาวกองค์ไหนพูดไปฟังทั้งนั้น อ, อ, อันนั้นมันทิฏฐิมานะผมเคยเห็นนะ เคยเห็นลุกฉิตของหลวงตาเราเนี่ยแหละพระหลวงตาพูดท่า น, นจงค่อยฟังถ้าไม่ใช่หลวงตาพูดโอ้โฮแสดงอากับกิริยาเป็นไม้เบือ่อไม้เมาทำไมถึงคิดได้อย่างนั้นคคดคิดได้เพียงแค่นั้นเออถ้าใครฟังก็ได้แต่ตัวเองไม่อยากจะฟังกันนี้สิลุกไปที่อื่นก็ได้เป็นไรไปต่อมาแสดงอากับกิริยาพูดแสกแซงขึ้นมา ในขนาดที่องค์หนึ่งเขากาลังพูดอยู่ไม่มีมารยาทเลยทั้งที่ดูดูแล้วไม่มีคุณธรรมในจิตใจไม่มีมารยาทตีกต่างหากไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะพระของเราทุกองนะที่ผมพูดให้ฟังในลูกน้องของผมนะต้องเป็นผู้ฟังให้ฟังเอาไว้ผิดถูกเราแย ก, กต่างหากเรามาแย ก, กต่างเราจะเอาก็ไม่ไหนไม่เอาก็ไม ไ, มไม่เป็นไร ไม่ใช่มาท่านพูดขึ้นมาท่านกับทุกคนต้องฟังคำผมนะปฏิบัติอย่างที่ผมพูดนะทุกคนนะท่านก็ไม่ได้ว่ายอย่าง น, านั้นท่านก็พูดให้ฟังเป็นแนวความคิดในเมื่อแนวความคิดจบแล้วก็คือจบแเราก็ฟังแต่ละเออนําไปประพฤติปฏิบัติที่เห็นถูกต้องอผมเองเห็นหมู่เพื่อนครูบาอาจารย์ถึงจะไม่ได้เคารพรักก็เถอะแต่ท่านพูดออกมาฟัง ผมก็ฟังได้เออใช่แนวความคิดนี่ดีความคิดนี่เป็นประโยชน์ทีเดียวในเรื่องนี้เราก็ฟังแล้วก็ยังนำคำพูดของท่านในคำนั้นมาบอกกล่าวอีกต่างหากเออมีประโยชน์เพราะนั้นถ้าเราฟังดีมันก็มีข้อคิดข้ออ่านเหมือนกันนั่นะเว้นเสียแต่เราหันหลังปิดถ้าเป็นหม้อหรือกละมังคนนั่น ความปากลงไปพื้นดินหันก้นขึ้นฟ้านะเอาน้ําเทเท่าไหร่มันก็ไม่เข้าอันนั้นแปลว่ามันปิดหูปิดตาปิดใจของตัวเองมก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะขอให้พวกเราทุกๆท่านนะผู้บรรจารที่เราเชื่อมั่นอย่างองค์หลวงตาพูดนี่ยถึงจะพูดยังไงเราก็ต้องฟังถึงเสียงไม่ดีขนาดไหนเสียงอุยเอว่าว่าขึ้นเราก็ต้องฟังพยายามฟังให้เข้าใจ ที่ท่านแสดงธรรมท่านมีจุดมุ่งหมายอะไรเพียงแต่ว่าเสียงมันมีอะไรมากระทบในจุดนั้นก็ทําให้เสียงไม่ดีแต่เนื้อหาสาระธรรมะของท่านนั้นเป็นธรรมะที่มีสาระมีประโยชน์มีแก่นสารที่เดียวอันนั้นเราต้องฟังก็ต้อขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะไปอยู่นสถานที่ใดอุบาจารย์โองไหนค่อยฟังไว้ก่อน ฟังและก็ศึกษาเพื่อการศึกษานะวันนี้เป็นวันพระอุโบสถแต่ในพรรษาที่จะถึงนพวกเราก็วางวางแผนเอาไว้นะคิดเอาไว้นะใครจะทำอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระที่มีอายุพรรษาถ้าเป็นไปไดนะ้ผมอยากจะให้ท่องปฏิโมกข์นะพานุ่มนะหมู่พวกเพื่อนนะอยากจะให้ท่องปฏิโมกข์ให้ได้ พยายามดูซิปฏิโมกเป็นไปได้ไหมปฏิโมกเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้อง ท, ท่องถ้าท่องแล้วเราจะได้ภาคภูมิใจนะท่องปฏิโมกได้นะแต่ถ้าว่าเราไม่ได้ปฏิโมกเนี่ยดูดแล้วมันมีปมด้อยอยู่จุดหนึ่งเหมือนกันฉะนั้นอยากจะให้พวกหมูพวกเพื่อนผ่าน้อยผ่านหนุ่มทั้งหลายช่วยๆกันในพรรษานี่เล่งใส่พรรษาเลย พรรษาเนี่ยเราปฏิโมกภัพรรษาต่อไปเราจะภาวนาอย่างเดียวเราจะพยายามนั่งให้นานที่สุดเราจะอดอาหารพยายามอดนอนผ่อนอาหารฉันให้น้อยทําความเปลียนให้มากนั่งภาวนาให้มากให้สติอยู่กับตนเองให้มากจากนั้นก็พิจารณา ถ, ถึงใจตัวนมามธรรมตัวผู้รู้เนี่ ย, ยกิเลสทั้งหลายมันอยู่ในจิตในใจของเรานี่ละกิเลสราคะโทสะโมหะมันอยู่ในนี้ เพาะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะดูดูจิตดูใจในพรรษาเนี่นผมอยากจะให้หมูพวกเพื่อนภาวนาพยายามภาวนาให้มากเราไม่ได้มาเพื่ออย่างอื่นไม่ได้มาแสวงหาโลกโผโมกขะทรัพย์สมบัติอย่างอื่นเรามาแสวงหาธรรมอริยธรรมโลกุตระธรรมในจิตในใจเพราะนั้นเราต้องศึกษา ถ้าศึกษาผมมั่นใจว่าทมคำสอนของพระพุทธเจ้าทมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะเข้าสู่จิตใจของพวกเราพวกเราจะได้รับความสงบร่มเย็นเป็นสุขเป็นอนันตการไปเลยแลนะนะตอนนี้ไปสวดท้ายปฏิโมกนะวันนี้นะ